สมาธิที่เกิดจากวิมังสาวิมังสาความสอบสวนไตรตรองได้แก่การใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นไข ค, ครวนตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งย่อนเกินเลยบกพร่องหรือขัดข้องเป็นต้นในกิจที่ธรรมรู้จักทดลองและคิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุงข้อนี้เป็นการใช้ปัญญาชักนาสมาธิซึ่งจะเห็นได้ไม่ยาก